ท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะพูดถึงมหาปฏิปทานสูตรในข้อที่ว่าดีอิธิยาบทคำวริยาบทนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อน คำบาลีเร่งกล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสูจเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่หรือมันนั่งอ ย, อนนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่ เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไวแล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้พี่สุทั้งหลายย่อมพิจารณาให้นกายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในกายเห็นในเห็นกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาให้กายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้าง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 เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดจุดด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทังหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายเนืองเนองอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่สำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่า น, สนแสดงออกเห็นชัดในด้านอธิยาบท <c oughs> ว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีท <c oughs> ั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอนุวาองค์สมเด็จพระบรมค ร, ร, ม ร, ร, ม ร, รมูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัมปจญญะให้สมบูรณ์ การฝึก อ, อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเองสมาธิปร ะ, ะการตั้งใจและบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทําไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็ยืนก็ดีการเดินก็ดีทําไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธิ นี่คำว่าสมาธิเดียการตั้งใจด้วยการนึกขึ้นมาได้ไอ้การตั้งใจนี้ก็เรียกว่าการทรงตัวเองทรงจิตไวในการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินเท้าก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวา ก้าวเท้าสั้นรือยาวก็รู้ก้าวเท้าสั้นได้ยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลังนี่ไปไ ป, ไปมามาไปได้อาสัมปชัญญะเข้ามาบวกเข้าอื่แล้วเป็นอนุโองค์สมเด็จพระบระทีแก้วให้ทาสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้วเวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไร ในการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าจิตของเราลืมคิดท่านเคยคิดบ้างหรือเปล่าขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่าเคยคิดบ้างไหมเมื่อเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่ง ด้่ยนอนด้ือเด็กยอะเดินยืนก็เหมือนกัน <c oughs> โดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทาความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่านั่งคือเราจะนั่งเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหน เรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความรู้สึกมนุษยสิกตอนปลายไม่ใช่ตอนต้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดิน น, นอนนอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทำอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้จาถห็นว่าอารมณ์อยากนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังอยากอยู่องค์สมเด็จพระบรมาครูยังได้ทรงแนะนำ ให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทำความรู้สึกไว้โดยว่าเวลานี้เราทำอะไรนี่เป็นจุดแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะงการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดเรื่องการเดิน เอาการเดินก่อนการเดินนี้เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมาเจสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำกันยังไงความจริงคำว่าจงกรมนี่เขาแปลว่าเดิ น, นเวลาเดินจงกรมเราต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างล่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไรใช้เนื้อที่กว้างเท่าไร แล้เดินแบบไหนมันจึงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัทต่้งหลายมาถามก็นยุ่เสมอ <c oughs> ว่าในที่บารสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเดินแบบนั้นต้องใช้หน้าที่กว้างเท่านี้ใช้หน้าที่กว้างเท่านั้นและว่าตามพระบาลีในมหาสติปทานหน้าสุด อ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจา้าจะวางท่าไว้เลยว่าจะต้องเดินท่าไหนมันถึงจะถูกที่พระพุทธเจ้าไม่ไี้บอกบอกแต่เพียงว่าถ้าเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเรานอนเราก็รู้เรานอนตอนนี้ถ้าเรียกว่าส ม, มถภาวนา นี่ถ้าเราเดินกันอยู่ก็ขอตอบแค่ง่ายๆว่าจงกลมนี่แปลว่าเดิน <c oughs> ก็คือเดินแบบปกติธรรมดานั่นเองไม่ต้องไปตั้งท่ายกยกอย่างๆการทาท่าจะยกมั่งจะย่างมั่งจะย่องมั่งอะไรท่า น, นี้ไม่ต้องถ้าคืนทําแบบนั้นแล้วก็ไม่ทานกิน พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทําสติสัมปชัญญะของเราให้มันทันนี่จะใช้พื้นที่ยาวเท่าไรกว้างเท่าไรไม่จํากัดเราพอใจเท่าไรแล้วก็ใช้พื้นที่เแ่านั้นหรือว่าเรามีพื้นที่เท่าไรเราก็ใช้เท่านั้น ถ้าเรามีที่จะเพาะในห้องนอนของเราแล้วก็เดินในห้องนอนของเราก็าใช้ได้เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเวลาจะเดินก็จงทำสติสัมปัจจะห้รู้ว่าเวลานี้เรากำลังเดินอยู่ที่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลานั่งก็เหมือนกันนอนยืนก็เหมือนกันวันนี้เราจะซ้อมเรื่องกายเพาะเดินอย่างเดียวในตอนนี้ ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทํำยังไง <c oughs> ถ้าจะเดินให้ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะที่เราเดินนั่นก็ควรจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เรากําลังจเจริญอยู่ใช้ควบคู่กันไปด้วยเช่นเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเก้าเท่าแรกก็พุทธเก้าเท้าที่สองก็โท และเดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบินธบาตเดินไปทำกิจการงานก็ควรใช้อารมณ์นี้ไว้ด้วยเพื่ออารมณ์จิตไม่ว่างแจกขุศลให้มันรู้ทั้งโดนรู้ทั้งคำภาวนา <c oughs> ตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังภาวนาไม่ถนัดหรือ ว, ว่าเราเป็นคนใช้พิจารณาเป็นสาคัญ เราก็ต้องการจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่กําลังศึกษาที่กําลังใค้ทวนที่กําลังพิจรารณาอยู่เราก็เอาธรรมะข้อองค์สมเด็จพระบรมครูเพราะสมัยนี้มีเครื่อง อ, อุปกรณ์ใช้มาก <c oughs> ใช้เครื่องบันทึกเสียงสะพายไปด้วยเราจะฟังอะไรขณะที่เดินแล้วก็เดินฟังไปด้วย เดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราก็รู้ได้ยินเสียงใจเราก็นึกทราบรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่ายังไงพร้อมกันไปนั้นถ้าเราฟังเสียงธรรมะโดยเฉพาะว่านี่เป็นเสียงธรรมที่เราต้องการเราหูเรารู้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชีวิตจิตของท่านก็มีสมาธิจากการฟังเสียง ถ้า ร, ารู้จักการเดินด้วยก็ชื่อว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่เราเป็นผู้เดินไปด้วยนี่เป็นอันว่าสมาธิเราได้เึียสองจุดแต่หากว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้นเราใช้เสียงที่มีการพิจารณาเป็นสำคัญในด้านมิปัสนายานหรือว่าในด้านสมถ ภ, ภาวนา ขณะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็ไข้ควรไปตามเสียงนั้นด้วยช่วยให้มีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังตามธรรมะส่วนนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลในการพิจารณาเป็นอันว่าการเดินของเราถ้าเราไม่ภาวนาอะไรเลยก็รู้จักการเดินระยะการเดินในการนั่งการนอนการยืนให้จิตรู้อยู่ เราต้องการกําไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมาฐานกองใดท่านได้จากการเดินกรรมาฐานกองนั้นเสื่อมยากทหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็ใคล้ควรพระธรรมกรรมฐานนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วย ไม่ใช่รู้แต่นั่งแต่นอนแต่ยืนแต่เดินแต่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ให้รู้จํากัดเฉพาะว่ารู้ยืนรู้ดอนรู้เดิ น, ร, ดนรู้นอนรู้นั่งพระพุทธเจสอนไม่มากตอนนี้ถ้าจะพูดแต่แค่นี้อย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องสั้นสำหรับท่านไป่อเดี๋ยวจะไปเดินเฉยๆก็อ่าเสียเวลาเปล่า เมรว่ากรรมฐ า, านข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่นานถ้า <c oughs> วันนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเป็นอันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอากาไรในการเดินอยู่ก็ดีในการนั่งอยู่ก็ดีในการนอนอยู่ก็ดีในการเยืยนอยู่ก็ดีด้วยการพิจารณาหรือภาวนาสมถกรรมฐ า, านมิปัจนากรรมฐ า, านไปด้วย ตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันที่พระองค์เ็กทรงเคยทรงตรัสว่าเวลาผมเดินไปไหนว่าจากกิจผมจะเดินเวลาหนึ่งชั่วโมงผมก็ เ, เทพสะายไปด้วยเปิดเทพฟังฟังสองหน้าฟังไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทรงคิดตามด้วย ถ้าต้องการเดินสองชั่วโมงก็ฟังเทปสี่หน้านี่พระองค์ทำอย่างนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงว่างอยู่พระองค์เวลาประทับนั่งหรือประทับนอนพระองค์ก็ทรงเปิดเทปฟังเพื่อจิตไม่ว่างจากกุศล นี่สำหรับบรรดาท่านพุทธาศาสนิกนชนถ้าอยาพูดกันไปเรามีกําไรมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็ยจยู่หัวมีพระราชภาระมากกว่าจะมีภาระว่างใช้กําลังจิตได้จริงๆก็แสนที่ยากใช้เวลาตอนดึกสําหรับพวกเราเราพุทธบริษัทมีเวลาตลอดวัน ยิ่งเวลานี้งานก่อสร้างหมดไปแล้วจะเหลืออยู่ก็เป็นภารากิจของช่างเราจะมีงานอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆเวลานั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีเราก็ควรจะฟังเสียงธรรมะไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ฟังเสียงธรรมะก็ใช้เวลานั้นพิจารณาหรือภาวนาไปด้วย อย่าปล่อยกำลังใจของเราให้ว่างอยู่ในไร้ประโยชน์ถ้าจิตของท่านว่างอยู่จากการภาวนาและพิจารณาก็ถือว่าท่านขาดพุนเพราะเวลาของท่านมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทสี่จิรณะสิบห้าบารมีสิบเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่มีความสำคัญที่สุดก็คือบารมีสิบราการต้องให้ติดใจบรรดาท่านหลายอยู่เป็นปกติแลว้วควบคุมเนือธิบาสสิบราการและมัตตวางเนิ้จรณะสิบห้าถ้าจิตคนท่านหลายทรงอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามความรู้สึกจะเป็นสมาธิได้ง่าย และอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะเพิ่เกิดกับท่าน <c oughs> ตอนนี้เราก็มาหันกันว่าทิฏยาบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนอยู่ก็ดีเราเดินอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีนอกจากจะมีจิตกำหนดรู้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้ว ทรงแนะนําในด้านวิปัสนาญาณไว้ด้วยเป็นอันว่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถะภ า, าวนาตัวทรงอารมณ์รู้เป็นตัวสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยตั้งกล่าวว่าพิสุย่อมพิจรารณาแห่งกายในกายบ้างภายในภายในบ้าง พิจารณาแห่งกายในกายเป็นกายภายนอกบ้างก็หมายความว่าดูตัวเราเองบ้างดูตัวของบุคคลอื่นบ้างดูตัวเราเรียกว่าพิจารณาในในกายของเราถ้าดูบุคคลอื่นก็ชื่อว่าพิจารณากายของบุคคลอื่นเรียกว่ากายภายนอกนั่นแปลว่าย่อมพิจารณาแห่งกายในกาย ทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างว่าดูทั้งกายเราและกายเขาดูตรงนี้โดนตร ง, ตรงไหนกันถ้าเราจะดูด้านสมถะภาวนาก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มบริความสุขรกเมื่ลการสามิบสองมิจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเต็มบรีความสุขรกนี่ดูแบบสมถะภาวนา ใะร่างกายนี้จะมีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ทั้งกายเราและกายเขาตอนนี้ถ้าดูแบบธรรมดาก็ดูว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามีความตายเป็นที่สุด อย่างนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงไปได้นี่นียกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างนี้ให้พิจารณาว่าร่างกายของเราในตอนแรกออกจากการมานดามันเล็กนี่ต่อมาไม่เกิดขึ้น ม, มีอาการเพิ่มเติมในอวัยวะภายใน <c oughs> หมายความว่าสร้างอวัยวะภายในที่มันมีอาการ32เข็มมันค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยๆนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่เป็นเพราร่างกายไม่สมสภาวะมันโตขึ้นนี่ก็ในกล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าร่างกายมันเสื่อมไปบ้าง นี่เพ็นว่าร่างกายเนี่ยตามธรรมดาของมันมันมีความเจริญขึ้นจากความเป็นเด็กและพร้อมกันนั้นมันก็มีความเสื่อมเสื่อมตรงไหนเพราะว่าของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ในขณะที่เป็นเด็กถ้าไม่มีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ตาย แต่ว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ความจริงของเก่ามันก็เสื่อมสลายไปของใหม่เข้ามาแทนที่นี่เรียกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปม่เกิดขึ้นมาความเกิดกับความเสื่อมขึ้นมามีพร้อมๆกันเมื่อของใหม่เข้าไปของเก่าหมดไปนี่ของใหม่ทำให้เกิดของเก่าทำให้เสื่อมนี่เป็นตอนเด็ก นี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อร่างกายเราเข้าถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ว่ามันจเจริญเต็มที่แล้วตอนนี้ไปมันก็เริ่มมีความเสื่อมถอยหลังลงไปมีความพุดโทมลงแก่ลงไปทีละน้อยละน้อยนี่แบ่การเสื่อมอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นเจ้าพี่เจ้าการ เข้าไปบังคับว่าจงยาแก่จงยาเสื่อมจงยาเริงขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรร ม, ด า, า ม, มดามันเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็ทำใจไปเราเบาิดขาว่ามันจะใจะเริงขึ้นก็เรื่องของมันมันยาเสื่อมไปนี่มันก็เรื่องของมัน พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในกายนี่ถือว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีมันเป็นปกติธรรมดาข้ามันเราไม่ยุ่งตัวไม่ยุ่งเขาเรียกว่าสังขารเปขา ย, ยา <c oughs> ์ายาเพราะว่าวางเฉยในร่างกายและเสีย น, นี้เ ม, มื่อธรรมดายของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจ ะ, จะเจริญก็เชิญเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมันเป็นเรื่องของมันถ้าพูดว่าเรื่องของมันถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราคำว่าเรานี่มันเป็นใครก็ต้องตอบว่าเราคือจิตที่เข้ามาใส่กายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราว ในร่างกายอบ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อมก็คิดว่าอาการเสื่อมก็มันอย่างนี้มีเป็นธรรมดาในไม่ช้ามันก็จะพังนี่ต่อไปเพ่งกล่าวว่าก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเท่านั้นแต่ว่าเพียงแต่สัตกแต่ว่าเป็นที่รู้อยู่ นี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าให้วางภาระในกายเสียเพ <c oughs> ราะเจ้ากายนี้มันเหมือนกับตุ๊กตาที่วางอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อตุวว๊กตานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวกเราเราก็ไม่สนใจอะไรมันคาว่าไม่สนใจในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเราไม่ได้ผูกไม่ได้พันมันจนเกินไป มันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพังก็เชิญพังมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอย่างเดียวถ้าร่างกายทรงอยู่เราก็ถนุพรมบำรุงเพื่อไปที่อาศัยเพื่อทางกําลังใจของเราให้บริสุทธิ์ไดรู้จักสภาวะตามความเป็นจริงฟังของท่านไปก่อนท่านกล่าวว่าเพียงเดชักวุวาเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึก แล่นนันบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกเรา ว, วิความรู้สึกเท่านั้นอันบอกว่าต่อไปว่าย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรด้วยแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรทุกอย่างในโลกเคียนด้วยทิ่สุดทั้งหลายที่สุดย่อมพิจารณาเรื่องกายในกายในืองเนืองอย่างนี้นี่เมื่อสรุปความแล้วองค์สมเด็จพระบุตรแก้ว ก็ทรงแนะนำให้มันดาท่านทางหลายเห็นว่ากายนี้มีตามปกติมีความเสื่อมขึ้นในเบื้องต้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมขึ้นในทางกลาง ม, มีการสลายตัวไปในที่สุดแล้วก็ทําจิตรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็ น, นเพียงที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้น จงอย่าติดในกายเสียเลย <c oughs> ว่ากายนี้จะแก่ก็เชิยแก่กายแย่พังก็เชิญพังแล้วนอกจากนั้นก็จงอย่าประยึ์ถืออะไรทั้งหมดในโลกด้วยคือเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วย ทรัพสมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้แล้วก็ถือว่าเป็นไดเพียงเครื่องอาศัยโชคราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าสังขารุปเป้า ย, ยานระอวางเฉยในขันห้า เมื่อวางเฉยในกันห้าจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาความหวั่นไหวในขณะที่กายจะพังย่อมไม่ปรากฏแก่จิตของเราความหวั่นไหวในเมื่อเราจะจากทรัพย์สินทั้งหลายหรือบุคคลปฏิรัก์ก็ย่อมไม่มีในจิตของเราเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ว่ากายเราก็ดีกายของบุคคลอื่นก็ดี มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขามันเป็นที่เป็นจุดที่อาศัยเป็นเรือนที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราละ่ะต้าขืนเราจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ก็ย่อมแปรกฏอีกถ้าเราวางภาระคือร่างกายชส้นได้ตามธรรมบาลีที่กล่าวว่าเตสังวุปสโมสขโข นั่นแปลเป็นใจกวามว่าการเข้าไปสงบ ก, กายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่มีความผูกพันในโลกทั้งหมดจะเป็นเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีสภาวตถุกขดี วงความวัโลกนี้ไม่มีอะไรเปลนเป็นมิจังคือว่าเป็นโลกนี้มีอันที่จะต้องสลายตัวไปในที่สดุดเรามีอารมณ์ไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ถ้ารี่จกล่าวกันตามภาษาบาลีชัดๆก็แสดงว่าองค์สมเด็จพระสุรสวัตดิโสภาคให้เราจเจริญสกายะทิฏฐิทำลายมานะทิฏฐิความถือตัวถื อ, ต, ถอตน ความยึดถือร่างกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์ที่หมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาส่าวว่าท่านผู้นั้นทําลายอวิชชาคือความโง่สิได้เมื่อทำได้ถึงจุดนี้ก็สแสดงว่าท่านหลายมีจิตเข้าถึงความเป็นอรหัตผลจื่ว่าเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาะอรหันตาบรน ด, ดาเพื่อนบิสุทังหลายโดยทุ่ น, น้า สำหรับเวลาที่จะแนะนํากันในวันนี้ก็หมดลงแล้วต่อไปนี้ไปขบวรดาท่านหลายพยายามทรงกายตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และจงทําจิตใจของท่า น, นทรงสติสัพจัญญะตามะธรรมคําสั่งสอนนิอสมเด็จพระจินนวรบรมศาสนาสมาสัพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เป็นไปตามอัติยาสายงนของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี